พวกเราเนะี่ยคุณกับคำว่าทุกนะทุกนี่มันเป็นภาษาบาลีที่เราเอามาใช้นะกับชีวิตประจำวันของเราแม่จะเป็นคนไกลวัดนะนะก็คุ้นกับคำคำนี้ยิ่งเป็นคนวัดเนะี่ยก็จะ ได้ยินหรือว่าเออถึงคำนี้อยู่ บ, บ่อยๆโดยเฉพาเวลาสวดมนต์ทวัดเพราะว่าทุกนี่มันกลายเป็นภาษาไทยไปแล้วนะหมายถึงความเจ็บปวดความไม่สบายกายไม่สบายใจความรับแค้นใจอันนี้มันชัดเจนอยู่ แต่ว่าพอพูดถึงคำว่ารือดริงครับว่าว่าโดยเะอุปทานขันตั้งหากเป็นตัวทุกเนี่ยอันนี้คนก็จะเริ่มงงหรือว่าบางทีก็เข้าใจผิดไปไต่เข้าใจว่า ขันทั้งห้ากำลังมีความทุกข์อยู่นะกําลังมีความทุกข์ก็คือเจ็บปวดนะซึ่งมันมันไม่เข้ากันเพราะขันทั้งห้านี่ไม่มีไม่มีชีวิตจิตใจนะจะรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดนะเหมือนคนเหมือนเรานี่มันไม่ได้ก็ว่าทุกข์ในอรสัตถ์สี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็แปรได้ถูกต้องคือหมาถึงความไม่สบายกายความไม่สบายใจ แต่พอเป็นทุกข์ในใจรักเนี่ยอันนี้ยังทุกขังอนัตตานี่ไอ้ว่าทุกขังเนี่ยหรือทุกข์นี่มันก็ใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างสัพเพสังขาราทุกขังสังขารทั้งร้ายทั้งปวงเป็นทุกข์รวมถึงก้อนถินรวมถึงเสาศาลา รวมถึงบันไดหลังคาพวกนี้มันเป็นมันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่เจ็บไม่ปวดมันไม่รู้สึกอยู่แล้วฝรั่งก็มีปัญหานะเวลาจะแปลคำว่าทุกขหรือทุกขะทุกขังเป็นภาษาฝรั่ง ส่วนใหญ่ก็แปลว่า Suffering ก็คือเจ็บปวดนะอันนี้ก็ตรงกับความเข้าใจคนไทยแต่ก็มามีปัญหานะว่าเนี่ยแล้วอุปทานขันท่าเป็นตัวทุกข์เนี่ยมันจะแปลว่าอะไรแปลว่า Suffering ก็ไม่ได้ก็มีคำคํหนึ่งที่เขาใช้แปลก็คือว่าไม่น่าพึงพอใจ ไม่น่าพึงพอใจหมายความว่ายังไงยังไงมันก็ไม่สามารถทำให้เกิดความพอใจได้ได้เต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าพึงพอใจก็คือมันไม่สามารถจะทำความพอใจให้กับใครได้อันนี้ก็ใกล้เคียง ใกล้เคิงกับความหมายของคำว่าทุกขังในภาษาบาลีหรือว่าในไตลักษณ์ทุกครั้งนี่เวลาเราแปลเราก็แปลว่าทนได้ยากเป็นสิ่งที่ทนได้ยากเป็นสิ่งที่ต้องเสื่อมไปมีแล้วหายไป ก็เป็นการแปลความหมายของทุกขังหรือทุกเนี่ยที่แตกต่างกันไปจากคำว่าไม่น่าพึงพอใจที่ฝรั่งใช้ว่า unsatisfactory แต่ความหมายก็ใกล้เคียงกันถ้าเราแปลว่าขันทั้งว่าดุยอขันทั้งห้าเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจ มันก็ได้เหมือนกันเมื่อมันไม่น่าพึงพอใจก็คือมันไม่สามารถจะทำให้เกิดความพอใจกับเราได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าเราไปยึดมันไ ป, ไปอยากให้มันทำความพอใจให้กับเราเราก็จะเป็นทุกข์เราก็จะเจ็บปวด ทุกอย่างเ้าละแต่ไม่น่าพึงพอใจทั้งนั้นถึงแม้ว่าใหม่ๆมันจะให้ความสุขให้ความพอใจกับเราแต่อยู่ไปอยู่ไปมันก็เก่ามันก็แก่มันก็เสือ่อมมันก็คล่าคร่าเสื้อผ้าที่สวยงามหรือว่ารถยนต์นะที่ ที่เคยใช้ได้ดีพอเสื้อผ้ามันเก่ารถยนต์มันเก่าก็กลายเปนว่าไม่น่าพึงพอใจแล้วแม้แต่ทองแม้แต่เพชรเนี่ยมันก็มีวันที่จะเสื่อมไปนะความสวยความงามก็ลดน้อยถอยลงก็เกิดความไม่พึงพอใจความไม่พึงพอใจอย่างนี้นก็คือว่ามันมัน มันจำเจซ้ำซากก็ได้นะถึงแม้ว่ารถยังไม่เก่าเสื้อยังไม่ําคร่าเสื้อก็ยังดีอยู่แล้วก็ยังดีอยู่ทองเพชรก็ยังก็ยังสวยอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ให้ความพึงพอใจกับเจ้าของเพอเจ้าของรู้สึกเบื่อรู้สึกเบื่อก็อยากได้ใหม่ อันนี้ก็เป็นความหมายของทุกครั้งก็ได้นะคือมันไม่สามารถจะทาความพอใจให้เกิดขึ้นกับใครได้เลยอย่างยั่งยืนหรืออย่างเต็มที่เพื่ อ, อ น, นั่คือว่ามันมีความพร่องก็ได้มันมีความพร่องมันไม่เคยเต็มร้อยสักที มันไม่เคยสมบูรณ์เต็มร้อยมันไม่เคยเรียกว่าไร้ข้อตําหนนะิไม่ว่ายัางไงยังไงมันก็ไม่เคยไม่เคยสมบูรณนะ์เต็มร้อยตอนนี้ก็ทําให้ผู้ที่ยึดถือมีความทุกขนะ์ยึดถือหรืออยากให้มันเต็มร้อย อยากให้มันคงที่ยั่งยืนมันก็ไม่เป็นไปตามใจอยากนั้นค่ะว่าวาตุย อ, อุปทานขันธะเป็นตัวทุกนีถ่ถ้าเราถ้าเรามองว่ามันไม่ใช่แค่เป็นสิ่งที่ทนได้ยากเป็นสิ่งที่ต้องเสื่อมต้องสลายไป แต่ว่าถึงแม้มันยังไม่เสื่อมไม่สลายเนี่ยมันก็มันก็แฝงไว้ด้วยความที่ไม่น่าพอใจนี่ถ้าเกิดว่าเรารู้ความจริงแบบนี้แล้วเราก็ยอมรับมันวเออมันเป็นอย่างนั้นเองเราก็ไม่ทุกนะเรารู้เรายอมรับว่ามันต้องเสื่อมต้องสลายไปเรารู้ว่ามันมันพร่อง ไม่สมบูรณ์ถ้าไม่ยึดมันนะหรือไม่อยากให้มันเป็นอย่า ง, ง, างนี้มันก็ไม่ทุกข์เราก็อยู่ท่ามกลางอยู่กับความที่ไม่สมบูรณ์ความไม่ไม่น่าพอใจได้ไม่ปรารถนาที่จะให้มัน เป็นที่พอใจกับเราอันนี้ก็เป็นเป็นความจริงที่เราควรรู้นะแนวเนี่ยก็คือความหมายหนึง่งของคาว่าทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้หรือทุกเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้กำหนดรู้นี่หมายแปลว่าจองนะ กำหนดรู้จริงมันก็มาจากคาภาษาบาลีว่าปริญญาก็าคือรู้หรือว่าเข้าใจทุกเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจนะทุกประสิ่งที่ต้องรู้รู้ในหลายแง่มุมรู้ตั้งแต่ว่าเวลาเราทุกเวลาทุกใจพราะเศร้าเพราะโกรธพราะกลัวก็รู้นะรู้ตัวว่ากําลังทุกนะคนส่วนใหญ่เวลาทุกเนี่ยไม่รู้ตัวหรอก มันถูกความทุกข์มันครอบไปแล้วเรากลืมตัวก็มัวแต่ส่งจิตออกนอกไปตกอยู่กับสิ่งที่กลัวสิ่งที่ทําให้โกรธไปนึกถึงอดีตที่ทําให้เศร้าเสียใจเนี่ยมันไม่รู้ตัวนะมันออกไปนอกตัวมากกว่าเมื่อใ่ก็ตามที่มีสติมันก็รู้ตัวารู้ตัวว่าโกรธรู้ตัวว่ากำลังกําลังเครียดกําลังเศร้า อันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งของการว่ารู้ทุกหรือว่าทุกภาษิที่ต้องรู้รู้เมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวเราอันนี้รู้ให้ลึกไปกันนะคือรู้ว่าทุกนี่นะมันเกิดกับกายกับใจนะมันเป็นกายทุกใจทุกนะไม่ใช่เราทุก คนส่วนใหญ่เวลาทุกข์เนี่ยคิดอยู่นั่นแหละเราทุกข์เราทุกข์กลทุกข์กลทุกข์ที่จริงไม่ใช่มันเป็นทุกข์ที่เกิดกับกายทุกข์ที่เกิดกับใจหรือกายทุกข์ใจทุกข์มากกว่าและใจก็ไม่ใช่เราหรือกายก็ไม่ใช่เราอันนี้ก็เรียกว่าเห็นทุกข์แล้วนะอย่างที่หลวงพ่อพ่อเขาว่านี่เห็นทุกข์นะไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นความกลัวไม่เป็นผู้โกรธก็ใช้สติเหมือนกัน อันนี้ก็ทุกเป็นสิงต้องรู้เหมือนกันนะรู้ว่ามันเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับอะไรไม่ใช่เกิดขึ้นกับใครในขั้นปรมาณิมันมีคําว่าใครนะมันมีแต่คําว่าอะไรเคยมีพราหมนี่ไปถามพุทธเจ้านี่ค่อลองภูมิว่าเนี่ยว่าใครทุก หรือว่าใครเป็นผู้เสพสวยเวทนาพระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครเนะี่ยท่านตอบว่าเนี่ยเวทนาเกิดจากอะไรเนะี่ยอันนี้น่าถามมากกว่าอันนี้เมื่อเรา เมื่อเรารู้ทุกเราก็จะเห็นว่าเออทุกมันมันเกิดกับกายเกิดกับใจนะมันไม่ใช่มันเป็นกายทุกใจทุกไม่ใช่เราทุกเห็นต่อไปก็ทั่งว่าความทุกข์มันเป็นเรื่องของขันห่านะมันไม่มีใครทุกเลยมันไม่มีใครทุกมันเป็นเรื่องขันห้าล้นวนเห็นกระทั่งว่าโอ้ทุกอย่างนี่มันทุกทั้งนั้น ไม่ใช่ขันท้าที่ที่ที่เรายึดไว้เป็นเราเป็นของเราหรือที่ที่ระวันในก่อในคอนะทุกอย่างเลยแหละไม่ใช่แค่ในก่อในคอมันทุกทั้งนั้นอันนี้ทุกตรงนี้เนี่ยมันเป็นหมายถึงทุกขังหรือว่าเป็นทุกในไตรักแล้วก็คือไม่ใช่เรื่องของความเจ็บความปวด นั่นเป็นเรื่องความที่มันต้องเสื่อมต้องดับต้องสลายไปเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจสุกอย่างหรือไม่สามารถจะให้ความพอใจให้ความสุขกัลเาได้อย่างเต็มที่หรือว่าคุณงานและเสี้ผู้อย่างนีง้ทุกอย่างเป็นของร้อนนทุกอย่างเป็นของร้อนทุกอย่างล้วนะแต่เป็นความไม่งาม อันนี้เรียกว่าเป็นบางทีเราก็พูดง่าเป็นทุกข์ในไตลักษนณะ์เนยทุกข์ในไตลักษณ์บางทีก็มีการพูดแยกกันนะทุกข์ในอริยสัจสี่กับทุกข์ในไตลักษณ์ทุกข์ในไตเหล่านี่มันมันรวมไปถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยไม่เกี่ยวกับเราเลยก็ได้ทั้งจักรวาลนีะเป็นทุกข์ทั้งนั้นดวงอาทิตย์ก็เป็นทุกขนะ์ เป็นทั่วคือส้วนก็ต้องเสือ่อต้องดับต้องสลายไปอาจจะนานหน่อยส่วนทุกในรีสอร์นี่เขา ก, ก, ก็มักจะหมายถึงว่าหมายถึงความความรู้สึกเจ็บป่วยความไม่สบายกายไม่สบายใจแต่ที่จริงทุกในไตทุกในรีสอร์ตรสีเนี่ยนั่นมันก็มันไม่ได้หมายถึงความไม่สบายกายไม่สบายใจ โนะดยที่ภาษาฟรัง่ง suffering เท่านั้นนะมันก็ยังรวมถึงทุกในไตลักด้วยเพราะว่ามันปิดท้ายว่าว่าโดยเฉะอุปท า, านขันตั้งหางเป็นตัวทุกไอตรงนี้แหละนะเป็นก็คือทุกที่ไม่ใช่เป็น suffering นะแต่มันเป็นความไม่น่าพอใจหรือว่าถ้าพูดอย่างคือเป็นสิ่งที่ มันมีความขัดแย้งบีบขั้นอยู่ภายในทุกอย่างรู้แล้วแต่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นยิ่งถ้าพูดถึงดวงอาทิตย์ดยแล้วนี้ก็ยิ่งชัดเลยนะโอ้มันมีการต่อสู้กันข้างในขนาดด้านนึงก็มีแรงระเบิดตู้มที่จะให้มันขยายตัวแต่ขณะดเดยกกันมันก็ไม่แตกเพราะมันมีแรงนุ่ง่วงที่ดึงมันเข้ามามันมีทั้งแรงแรงฉุดแรงระเบิดแล้วก็แรงดึง อาชี่มันอยู่ได้ยิง่งเพราะมันมีการต่อสู้กันระหว่างแรงสองแรงแรงระเบิด ร, ระเบิดแบบพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยแรงระเบิดก็ทำให้มันจะขยายตัวแต่ว่ามันก็มีแรงโน้มถ่วงที่ดึงมันเข้ามาอแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดมันก็ดึงเข้ามามันก็ยังเรียกว่าคัดง้างหรือว่าฉุดเออ่ ย, ย, ยืดยุกันอย่างนั้นแหละแต่เมื่อไรที่ที่พลังงานมันหมดพลังงานมันหมดมันก็ไม่มีแรงระเบิดแรงมือท ง, งที่ที่มันก็จะมีน้ำหนักมากกว่ามันก็จะดูดให้ดวที่นี่มันถดแคบเล็กลงแล้วก็ระเบยตูน กลายเป็นดาวแครไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องทุกครั้งนงะที่มันเกิดขึ้นกับทุกอย่างในจั ก, กรวาลในร่างกายเราก็เหมือนกันมันก็มีแรงสองแรงนะอันหนึ่งก็เป็นความเสื่อมดับของเซลล์ต่างๆในร่างกายอีกส่วนหนึ่งแตส่วนนึงก็มีการสร้างเพิ่มขึ้นใหม่แต่อะไที่มันยังสร้างได้มากกว่า หรือเท่าๆกับสิ่งที่ถูกทําลายไปมันก็ยังมีสุขภาพดีอยู่ได้แต่ตราบใดที่เซลล์ที่ตายนี่มันมากกว่าเซลล์ที่สร้างใหม่อนนี้ก็เริ่มแก่แล้วถ้าเกิดว่าเซลล์สร้างน้อยลงสร้างใหม่น้อยลงเซลล์เก่าตายมากขึ้นตายมากขึ้นมันก็เป็นความเจ็บความป่วยแล้วก็ตายในที่สุดคนที่ตายคือคนที่ ผู้อยใหญ่ก็ว่าไอ ก, การสร้างเซลล์ใหม่มันน้อยลงแล้วมันมีแต่เซลล์ที่ตายไปตายไปตายไปอันนี้เราว่ามันมีความขัดแย้งกันอยู่ข้างในมีความหยิกขั้นอยู่ข้างในอันนี้ก็เป็นความหมายของคำ ว, ว่าทุกเนะี่มันมีความอุปท า, านขัดแย้งเป็นตัวทุกว่ามีมความขัดแย้งกันอยู่ภายในที่ทําให้มันต้องเสื่อมต้องดับไปต้องสลายไปในที่สุดนี่ถ้าเราไปยึดมันนะ ถ้าเราไปยึดมันก็กลายเป็นว่ามันกลายเป็นสิ่งที่บีบคั้นเราถ้าไม่มีอะไรไปยึดมันมันก็บีบคั้นกันอยู่ข้างในเองมันก็มีความขัดแย้งกันภายในแต่พอไปยึดมันมันก็ไปบีบคั้นผู้ที่ยึดนะผู้ที่ยึดนั้นก็เลยเกิดความทุกข์นะทุกข์ในที่นี้คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจนะ คือในเมื่อตัวมันเองมันก็มันก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วนะถ้าใครไปพึ่งพิงมันไปยึดติดมันก็คนคนนั้นก็ก็แย่เหมือนกันเมื่อกเสาเนี่ยเสาที่มันผุพังเนี่ยเสาตัวมันเองมันก็มีแต่ผุพังไปเรื่อยๆตัวมันเองนี่มันยังไม่สามารถจะรักษาตัวมันให้มันให้ดีได้ถ้าเกิดใครไปพิงเสาไปพิงมันก็ย ก็ลำบากนะพอเกิดเสาหักเสาพังเขาก็ต้องล้มกระแทกพื้นเจ็บนะปวดบางที่ความเจ็บปวดไม่ได้เกิดขึ้นที่กายา ม, มันมันเกิดขึ้นที่ใจเนะพราวัยความยึดติดถือมันนี่แหละนั่นะสรุปก็คือว่าสิ่งทั้งปวงก็เป็นอของมันอย่างนั้นแหละหน้าที่งเราคือเข้าใจ เข้าใจทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้ทุกเป็นสิ่งทีต้องเข้าใจคือรั่วเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วไปหมดเมื่อเข้าใจแล้วก็วางวางใจให้ถูกต้องอไม่ไปเกาะเกี่ยวไม่ไปยึดมันใช้มันตามใช้มันแต่อย่าให้มันใช้เราเนี่ยก็คือว่าอย่าไปเป็นธาตมันก็เป็นธาตมันไปนพึ่งพิงมันมืน่อไหร่เราก็ทุกอนี้คือความจริง ที่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนความจริงได้ว่ามีความจริงบางอย่างที่เราเปลี่ยนได้อากาศร้อนไปนให้มันเป็นเย็นถ้าอากาศเย็นเ ป, นเปนให้ร้อนแต่ก็เปลี่ยนได้ชั่วขณะชั่วคราวแต่ความจริงบางอย่างนี่มันยังไงก็ไม่เปลี่ยนนะสิ่งที่ไม่นา่าสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยจะทันเป็นสุขมันก็ไม่ได้มันอาจจะให้ความพอใจชั่วคราวแต่ว่าสุดท้ายก็ทุกข์เหมือนเดิม เมื่อเรารู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะคือรู้ความรู้สัจธรรมเราก็วางใจถูกต้องไม่ไปทุกข์กับมันไม่ไปยึด ก, กับมันไม่ไปยึดมันมันใจเราก็ไม่ทุกข์เราก็อยู่ได้อันนี้ก็เป็นเพื่อเป็นเป็นเคล็ดลับนะในการที่จะอยู่ในโลกนี้โลกที่มัน ขันฝนปลกปวนโลกที่เต็มไปได้วยทุกข์โดยที่ใจเราไม่ทุกข์บางทีท่านก็เปลี่ยนมันก็ว่าอยู่อยู่ในอยู่ในปากงูนะงูนี่มันก็มีเขี้ยวมีพิษนะแต่ว่าถ้าเราอยู่ดีๆนะอยู่ในปากงูมันก็ก็รอดปลอดภัยได้เหมือนกันก็มันก็ลิ้นงูลิ้งงูมันก็อยู่ในในปากงูอยู่ทําการเขี้ยวงูมันก็มันก็ปลอดภยัย อันนี้ก็ในเรื่องการวางใจนะการวางใจถูกต้องเข้าใจความจริงอันนี้ก็รวมถึงเรื่องของไอ้นี่ยไอ้ทุกข์นี่บางทีมันก็แปลสภาพเป็นเรื่องความเสื่อมลาภเสื่อมยศนะโลกก็ทําแปดเลยเพราะอนิถารมเนี่ยมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสารเสรื่อมก็เจินนินทานมีสุขมีทุกข์เนี่ยคําว่าทุกข์ความไม่น่าพอใจมันก็แปลอธิ ปรากฏการอย่างหนึ่งเนะี่ยก็คือมันมันพันผลแปรปวนมันมีขึ้นมีลงมีลาบก็เสือมลาบมียศก็เสือมยศนี่ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นทุกขังของขันธ์ห้าความเป็นทุกข์ของขันธ์ห้านนี้เมื่อลาบเสือมไปใจก็ไม่ทุกข์ก็ได้เพราะว่าไม่ได้เพราะรู้ว่ามันมันเป็นอย่างนั้นเอง เป็นอย่างนั้นเอะคือมันไม่เทีย่ยงเป็นทุกข์ เ, เสื่อมลาบเสื่อมยศดนะนินทาหรือคาต่อว่าดา่าทอก็เหมือนกันนะถ้าถ้าเราร่วมเป็นธรรมดาโลกนะมันเจอคำเจอสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ทุกข์ถูกเข้าต่อว่าดา่าทอก็เฉยตัวปู่ขาวนาละโยท่าน มีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นแม่ชีนะแม่ชีสาก็เป็นคนที่เรียกว่าทุ่มเทการปฏิบัติมากจนทั่งหลวงปู่ขาวก็ก็ชมมีคราวหนึ่งก็ให้ให้พระเนี่ยให้ลูกศิษย์เนี่ยพราจันจวนจันบุญเพงเไปลองไปทดสอบเนี่ยทดสอบอยังไงให้ไปดา น, นะไปดานแม่ชีสา ต้องสองโองนี่ก็งงๆนะไปทำอะไรดา่าด่าทำไมก็ไปด่านะไปดา่าที่กุติเลยนะดา่าสีเลหายแม่ชีสาที่้วงงเกิดอะไรขึ้นสักพักก็ก็ก็หายงงนะตั้งสตินะ ตั้งสติก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไ, ด ไ, ม ไ, ดไม่ได้โมโหไม่ได้เศร้าเสียใจในที่ถูกด่าพอพอทั้งสองท่านด่าเสร็จท่านก็บอกว่าเด่าเสร็จแล้วเหรอคะนะด่าอีกได้เลยนะคะเพราะว่ายิ่งด่า ย, ยิ่งดีนะมันจะได้ช่วยลดกิเลสนะไม่ได้ไม่ได้โกรธเลยเนี่ยกับกับเหตก็เป็นของดีได้ซ้ำ ยิ่งด่ายิ่งดีนะนช่วยลดละกินเลยแล้วก็บอกว่าทีหลังก็ด่ายนะครับด่าแต่ละทีมันทราบสึนใจนะเพราะว่าได้ได้เห็นธรรมะนะการด่าของอาจารย์นี่เป็นธรรมะออลูกศิษย์ทั้งสองท่านก็เลยเข้าใจอ๋อ ก็อเอามาเล่าให้ปู่ขาวฟังก็ก็กลายเป็นเรื่องสนุกไปดาเนี่ยไม่ทําให้ทุกข์นะคำตอว่าดาทอไม่ทําให้ทุกข์แต่เป็นเพราะใจเรามันเกี่ยวข้องกับคำตอว่าด่าทอไม่ทุกขนะ์ก็คือมีความยึดติดในคาชมในคาสรรเสริญพอเจอคำต่อว่าดาทอก็เลยทุกข์แต่พอไม่ยึดติดนะ ในคําสารเสริญเจอคววําต่อวาดทอไงก็เฉยหรือถ้าเกิดรู้ว่าเออมันก็ธรรมดานะคำต่อ ว, ว่าดาทอก็เป็นโลกธรรมอย่าไปเชื่อวเราสาทําความดีมาทําไมก็ามาว่าเรานะหลือไปเชื่อโอเนี่ยเสียทําให้เสียหน้าเสียชื่อหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขารู้เขาจะว่ายังไงนะ ว่าเนี่ยมีคนมีอาจารย์ปฏิบัติปฏิบัติชอบมาว่าเรานะั่นก็เสียหายสินะคิดไปไอ้การคิดแะบนี้ก็ทำให้ทุกข์แต่ความคิดนี้นก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานความยึดติดในตัวกูของกูบางคลพอยึดติดในตัวกูของกูมก็โหงแหนหน้าตาโหงแหนชื่อเสียง พนะอเขามดาว่าก็สึกเสียใจหรือโกรธหรือกังวลว่าชื่อเสียงเราจะปนปี้อนอะเนี่ยถ้าเกิดคนเขารู้ไปทั่ววัดว่าเนี่ยมีครูบาอาจารย์มา ด, ด่าเราเนี่ยขาจะมองเราอย่างไรนะชื่อเสียงเราปนปี้หมดนคิดแบบ น, นี้ก็ทุกข์ก็เสียใจแต่ว่าม่สืสารนี่ไม่มีความพิดเรื่องนี้ในหัว เ, เพราะว่า เข้าใจทำละถึงทำเห็นว่าเป็นโลกธรรมแล้วก็กถึงขั้นว่าไอ้ตัวตนก็มีน้อยลงมองอย่างตัำนะคือแกก็มองเนี่ยก็คือแกรู้จักมองในแง่บวกเนี่ยก็คือว่าเห็นว่าคําด่านี่มันมีประโยชน์อันนี้ก็มองแง่บวกนะคําด่าของอาจารย์นี่มีธรรมะนะฟังแล้วซาบซึ้งใจธรรมะอะไรนะธรรมะเรื่องโลกธรรมแปด จริงเนี่ยคนเราไม่ว่าทุกข์เพราะคำต่อว่าทุกข์เพราะถูกด่าแต่ที่จริงยังไม่ถูกนะทุกข์เพราะถูกด่าคนที่ถูกด่าแล้วไม่ทุกข์ก็มีนะให้ถูกด่านี่ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในสําคัญกว่าก็คือให้ความยุดติดถือมั่นในโลกธรรมแปะหรือความยุดติดในในหน้าตาอยากจะให้คนชมชนใจรเสริญตรงนี้แหละคือตัวการสําคัญ ถ้ามีน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยดา่าเท่าไหร่ก็ไม่ทุกข์นะแต่คนมอกจะมองไม่เห็นเพราะว่าส่งจิตออกนอกก็ไปโทษว่าที่ทุกข์เพราะสิ่งภายนอกทุกข์เพราะคําด่าอันนี้พรามองไม่เห็นใจตัวเองนะนการปฏิบัติคือมันทาให้เราได้มาเห็นสาเหตุภายในถ้าเมื่ได้การที่ทุกข์นะเวลาใครด่าแล้วทุกข์นี่ อย่าไปโกรธคนที่เขาดนะ่าให้กลับมาดูที่ใจว่านะี่เป็นเพราะเรายัางยังฝึกไม่พอเป็นเพราะเรายัางโง่อยู่นะยังมีความยึดมั่นถือมัน่นนะก็ให้ถือว่าไอ้คำด่านี่มันช่วยเป็นการบ้านที่ฝึกให้เราให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางไอ้ตัวตนหรือเป็นการเปิดตาให้เราสว่างเห็นความจริงในเรื่องโลกธรรมแปดอชาชาเนี้พูดกับท่านนี้อกราบพระ